พระบัญญัติ884ร88ก็ภิกษุณีใดเปลือยกายอาบน้ำต้องอาบัติปาจิตติเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบ